แล้วงกบ ถายไปให้สมาชิกเพดเขาได้ชมกันบ้างก า, ารเที่ยวก็เลยอยากรับฟัง <Okay. S 1> ออกแล้วการรักการรักษาศีลแบบนับเพื่นข้อเพืนข้อ เ, อเรารักษาได้ทง่านข้อท่านนี้ข้อเนีย่ยเรียกว่า ไปนับแต่ตัวสีขาวบทก็เร็วโบโปปารกาศีศีลของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นศีลของพระองค์ใช้ใช้ใช้ตัวเจตนาตัวเจตนาในี่ตัวสำคัญมากก่อให้เกิดศีลถ้าไม่ตั้งเจตนาที่จะรักษามันก็ไม่เกิดเป็นศีลเพราะนั้นเมื่อเราทราบและเข้าใจหลัก ของศีลว่าหลักของศีลอยู่ที่เจตนานั่นหมายถึงว่าเราจะรักษาศีลที่ไหนเวลาใดก็ได้เจตนาของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ต้องมาขอไม่ต้องมาตั้งพิธีกรรมในการรับกับพระที่สุขเมื่อตั้งเจตนาบเป็น ในสี่ขาบท่าประการสี่ขาบท่าประการเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มีมาตั้งแต่เริ่มนี้มนุษย์นู่นแหละแต่พระเจ้าบัญญัติศีนลงไว้ในกฎเกณฑ์ห้าประการนั้ น, นเป็นพื้นฐานแล้วกฎเกณฑ์ห้าประการ น, นี้อันที่บุคคลนบนเป็นได้แล้วมันก็จะนํามาซึ่งผลผลอันที่จะหนุนนําจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไป มันเป็นความสําคัญมากสำหรับบุคคลคู่หวังความเจริญในชีวิตของตนทั้งในปัจจุบันและก็ชีวิตเป็นไปในภายภาคหน้าพร้อมทั้งชีวิตเมื่อละไปศีลที่เราเจตานานวัเพ็นนี้จะติดตามประดุดดังงองติดตามตัวคอยคุ้มครองปกปักรักษาตัวเราหากยังเวียนไหวในวัฏฏะ องของศีลหรืออารุภภาพแห่งการงดเว้นที่เราได้งดเว้นออกมาจากใจของเราเองเนี่มันจะไปคอยกั้นเราไม่ให้ตกไปสู่ทุกคติเพราะตัวเจตนามีแรงกล้ามากเป็นกระแสแห่งกุศลธรรมแรงกล้าเพราะเราสามารถอดทนอดกลัน้นในการที่จะมีละเมิดในศี่ขาบุตรห้าประการแรงแห่งการอดทนอดกัน้นเนี่ย มันจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเราไม่ว่าจะเป็นภพไหนชาติไหนและหากเราปรารถนาพราะนิพพานสี่เลยนั่นนิพุติงยันติศีลก็สามารถเป็นไปเพื่อความดับทุกคือไปนุนนําจิตใจเราก็ถึงพระนิพพานา น, นําไปสู่ความดับนิพพานนะนิพุติงยันติเป็นไปเพื่อความดับดับทุกดับภพดับชาติดับการเกิดนี้ที่ทั้งบวงก็อาศัยศีลเป็นเครื่องนุนนําจิตใจเรานี้ยกออกจาก ทุกอันจะเป็นไปในการเบียดเบียนสัตว์อื่นทุกอันเป็นไปในการเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทุกอันเป็นไปในการประพฤติผิดในคนรักของคนอื่นทุกในอันใน ก, า, การกล่าวเท็จแล้วก็ทุกในการดื่มสุราศีลก็จะดับความทุกข์เหล่านี้ให้กับตัวเราและ เป็นเครื่องหนุนจิตของเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีจิตที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบจิตจะแยกแยะออกอะไรดีอะไรไม่ดีจิตจะแยกแยกออกสิลนี้มีความสำคัญมากมันเป็นเครื่องตัดสินความดีความไม่ดีภายในตนเองได้ตรวจสอบตนเองได้วัดผลในตนเองได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร เจตนาหมดเบ้นที่เราดีหมดเบ้นเนี่ยไม่มีใครรู้กับเราหรอกเราตัวเรารู้ตัวเราว่าขณะได้เจตนาขนาดในเราไม่เจตนาที่จะกระทาผิดคนที่มีศีลหรือว่าศีข้าวบทเป็นเครื่องชี้และตัดสินดีหรือไม่ดีภายในตนเองมันไม่ใช่เพียงแค่คอยตัดสินดีนหรือไม่ดีเท่านั้น ดีหรือไม่ดีเราสามารถแยแกแยะออกการแยแกแยะออกได้ลึกทั้งในส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็เรื่องรู้จักเส้นแบ่งของความดีและของไม่ดีไปอย่างดีแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นประพฤติศีลเป็นคนเลวอะไรก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเป็นความดีที่ยิ่งย่งขึ้นไปหาเป็นความความดีที่ทําให้เราได้ทําดียิ่งขึ้นไปะมันจะทําให้เราไม่หมุนกลับไปสู่ในทางแห่งความไม่ดีตรงเนี้ยศีลมันจะเป็นเครื่องวัดหรือเครื่องแยก ความถูกความผิดความควรหรือไม่ควรและอณิสงของศีลนี่มันจะช่วยทําให้จิตของเราแยกออกจากอารมณ์ได้ด้วยเพราะอารมณ์ก็มีอยู่สองด้านด้านดีกับด้านที่ดีไม่มีเกินนั่นเอาคพ้นมีความเป็นกลางอยู่ความเป็นกลางก็จัดอยู่ในด้านที่ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ความไม่ดีความเป็นกลางความเฉยเฉยเนี่ยจึงแบ่งอารมณ์ไว้เป็นสองอารมณ์ใหญ่ๆคือดีกับไม่ดี นี้และไม่ใช่เพียงแค่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ด้วยนะศีนี่เพราะถ้าเราไม่ทุจริตภายในตนเองแล้วก็เราซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยอาศียศีนเป็นมัด ม, มนะัดว่าเราสุจริหรือทุจริตเพราะว่าศีนนี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงใกล้สุจริตเมื่อจีสุจริตแล้วก็ทําให้จิตหรือใจของเราสุจริตได้ด้วยเพราะตัวเจินตานานาฏเป็นคือตัวสุจริต สติริศแปลว่าความสะอาดหรือว่าความความสะอาดแต่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจก็จคือทําให้จิตของเราเนี่นไม่คล้อยไปตามอารมณ์ทางต่างก็เรียกว่ามีสมาธิและตั้งมั่นก็คือมีองค์ประกอบมาจากศีลหรือว่ามีศีลเป็นเครื่องรองรับเราสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์อันที่มันไม่ดีได้เพราะเราสามารถแยกความผิดความถูกในศีลที่เราได้หมดเว้น อันนี้สงไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันสามารถแยกระหว่างสิ่งที่เป็นกิเลสและไม่ใช่กิเลสได้ด้วยใ ค, ใครที่รักษาศีลจะรู้จักจะสามารถตัดสินเรื่องราวภายในจิตใจของตนเองได้ด้วยว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสหาคนรักษาศีลมาไม่ดียไปปฏิบัติไปภาวานานจะแยกตัวเองไม่ออกแยกจิตไม่ออกให้อะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสอะไร เจอเจอเรื่องเราบางเรื่องภายในจิตก็เกิดความสงสัยมึนงงอยู่เ อ, อันสิ่อันส่งนี้คืออะไรแยกอะไรก็ไม่ออกสิ่งที่ปรากฏกับจิตในตนเองแยกไม่ออกแล้วก็ปฏิบัติมั่วมั่วภายในภายในจิตของตัวเองไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเมื่อมีเมือ่อไม่ไม่สามารถแยกสิ่งที่เป็นกิเลสและไม่ใช่กิเลสออกก็จะไม่สามารถตัดหรือละ สิที่เป็นกิเลสอะไรก็จะปฏิบัติผิปดปฏิบัติผิดยังไงก็ปฏิบัติผิดในส่วนที่เป็นกิเลสนั้นว่ากิเลสเป็นของควรกระทำเพอไม่ทราบว่า น, นั่นคือกิเลสมันสิ่งบางอย่เราไม่เข้าใจพื้นฐานสําคัญที่สุดที่พวงทรงวางไว้คือศีลเนี่ยเป็นมาตรฐานเนลยทําให้เราสามารถแยกแยะคือมันจะทําให้ปัญญาของเราเนี่ยตัดสินภายในตัวเองได้ จำไว้เลยว่าตัวเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงไม่มีใครอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงได้เท่ากับตัวเราเพราะฉะนั้นดีไม่ดีอารมณ์อารมณ์มที่เป็นไปเพื่อตัวตนด้วยตุศตนและสิ่งที่เป็นกิเลสหรือไม่เท่กิเลสมันเกิดขึ้นในจิตอ น, นุอนิสงของศีลที่เรารักษามายอย่างดีเนี่ยมันจะคอยกำกับจิตและคอยแยกจิตของเราเบื้องต้นโดแยก ได้ว่าอันนี้คือสีอันนี้คือ อ, นนค อ, อารมณ์ที่ไม่ดีที่จะดึงเราไปไปสู่การละเมิดก็ตั้งมั่นไว้ไม่ให้อารมณ์หนันงง้นังข้อมงมจิตก็ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นสมาธิแล้วก็เห็นอํานาจของกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาพร้อมกับการที่เราไมา่กระทําตอบต่ออารมณ์อันเป็นในฝ่ายตัำกิเลสก็จะคอยบีบจิตให้ดิ่นรนเดือดร้อนม็นแยกออกได้ ว, ว่าอ๋อนี่เป็นกิเลสกิเลสเป็นของคนละก็รู้อยู่นีเน่รู้ว่ากิเลสเป็นของคนละ พกเป็นของคนกําหนดรู้กิเลสเป็นของคนละก็ก็ละให้ทําตามอํนนานาจของกิเลสละคือการไม่ทําตามแต่ไม่ใช่เข้าไปดับเข้าไปละไปบังคับไม่ให้มันเกิดอย่างก็ไม่ใช่ไม่ทําตามมันก็แข่นเมื่อไม่ทําตามแล้วกายไม่เป็นไปตามวาจาไม่เป็นไปตามจิตก็ไม่เป็นไปตามกิเลสก็จะค่อย่ออ่อนตัวลงพออ่อนตัวลงจนดับไปเราก็จะสร้าบอารมณ์ที่เกิดกับจิตที่เป็นเครื่องดึงกิเลส ที่มาพร้อมกับตัวมันกิเลสมามาพร้อมกับอารมณ์จะเกิดพร้อมกันเช่นสุขความสุขอารมณ์แห่งความสุขสัมผัสกับเรากิเลสคือราคะจะเกิดขึ้นอารมณ์แห่งความทุกข์เข้ามาสัมผัสกับเรากิเลสคือปฏิฆะคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ต้องการจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์ทำไมถึงแบบเวลาเจอทุกข์เราไม่ชอบ เนี่ยปฏิฆาเนี่ยเพราะเรียกว่าปฏิเสธมันไม่อยากให้มันเกิดกับเราไม่อยากจะเจอกับมันเนี่ยมันเป็นกิเลสอาการที่อยากหรือไม่อยากเนี่ยเป็นกิเลสที่อาจจะเจอเพราะมันเกิดขึ้นแล้วจะเจอหรือไม่อยากจะเจอมันไม่ได้มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเรามันเป็นเรื่องของความจริงเป็นสัจจะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นเพราสัจจะสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความอยากนั่นบีบคั้นขีดันั้นเป็นสมุทัยสัจจะ ทำให้จิตเรามีความทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่มันเกิดแต่ว่าสมุดให้สัจจะละไม่ทําตามเพราะไม่ทําตามอารมณ์เหล่าลนั้นดับไปกิเลส ก, ก็ดับไปด้วยทีนี้เราก็จะทราบมีปัญญาตัดสินอยู่ภายในตนเองอ๋อกิเลส ก, ก็เกิดเองดับเองได้ภาษาอะไรกับการที่กิเลสมันเกิดมาพร้อมกับอารมณ์แล้วมันจะทําให้ใจเราเป็นไปตามอาการของมันได้อีกเนี่ย ไม่ภาษาอะไรล้วทีนี้สติปัญญาที่แก่กล้าอย่างนั้นก็ตัดสินอยู่เรื่อยๆกับอาการแห่งกิเลสที่เกิดมาพร้อมกับอารมณ์สุขมาพร้อมกับลาคะาทุกมาพร้อมกับปติฆาไม่สุขไม่ทุกมาพร้อมกันกับอวิชชาอาวิชชาลุใสอวิชชากิเลสถือความไม่รู้ปกติเวลาเฉยๆเนี่ยเราจะปล่อยจิตให้ล่องลอยไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนะ ไ, ไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้กายนั่งอยู่แล้วกายนั่งอยู่นี้ ก็ไม่เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วกายที่นั่งอยู่นี้ก็หายใจเข้าหายใจออกไอ้กายที่นั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกอระกระอบมาจากดินน้ำไฟลมไอ้ดินน้ำไฟลมนี้ส่วนใดก็ตามแข่นแข็ ง, ขงเรียกว่าดินไอส่วนที่เป็นดินก็คือผมคนเรียบบังเนื่องๆไม่ได้รู้ในนี้เมื่อเรามีสติปัญญ า, าในการรู้ภายในตัวเองในขณะที่เอาทุกคำว่าสุขเวญทนาเกิดขึ้นแล้วก็บรรลุในกายกายรูุปรัสนารู้กายตามความเป็นจริง ศีลสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันอย่างนี้เราจะตัดสินจนอาสวะกิเลสที่อยู่หมักรองในจิต ใ, ใจของเราขาดสับปั้นออกไปจากจิตใจแล้วเราก็จะรู้ได้ทีนี้เราก็จะเห็นล้วทีนี้ว่อาอริยสัจธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐแค่ไหนตัวเราไม่ได้ประเสริฐเท่าไหร่เพราะตัวเราเป็นตัวกรุ๊ปเป็นตั ว, ก, ตวกุ๊ปหาโอกาสกรุ๊ปตลอดเวลาชีวิตเรา แล้วทุกทวยที่เราไม่ตั้งตัวซะด้วยความทุกข์ของชีวิตเราเราจึงต้องอาศัยกุศลละธรรมให้ทานรักษาศีลสมาธิภาวนาเนพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเจตนานดีที่เราได้ปาลบในการที่จะรักษาศีลหรือตั้งเจตนานหมดเว้นและวก็เดินทางมาก็ถือว่าในขณะที่ ตึกนึกและปาราลบในเรื่องของศีลนี้ก็เป็นกุศลธรรมนุนเรื่องจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจงใช้อนิสงส์ของศีลที่ตั้งเจตานาในการที่จะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายตลอดวันตลอดคืนที่เราได้มานี้เพ่งพินิษ์พิ จ, จารณาอารมณ์ในจิตเพ่งพินิษพิ จ, จารณา กิเลสที่เกิดมาพร้อมกับอารมณ์ในจิตเพ่งพินิษพิจรารณาในการแยกจิตออกจากอารมณ์แยกกิเลสออกจากจิตพร้อมกับใช้ปัญญาพิจรารณาตัดสินในอศาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่หมักดองสันดานและเป็นไปเพื่อความทุกข์และนําเราไปสู่วงจรแห่งความทุกข์ให้ขาดสัมปันออกจากจิตจใจไม่ต้องไปรอเวลาว่าบุญจะเต็มวันไหนบารมีจะเต็มวันไหน ใช้บุญบรารมีที่เกิดขึ้นในเวลานี้นปฏิบัติหนุนเนื่องจิตใจตัวเราให้เป็นปรจจุบัญการนคความสำคัญของการรักษาศีลจะต้องทำให้เกิดความสำคัญกันทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดทัศนคะทางพุทธศาสนาเราจะสอนให้ดับทุกข์ได้ด้วยตนเองไม่หวังพึ่งการดับทุกข์จากบุคคลอื่นหรือสิ่งภายนอก หวังกันรับบพวกจากบุคคลอื่นหรือสิ่งภายนอกยังชื่อว่าเป็นผู้อ่อนแออเพราะการพึ่งพาบุคคลอื่นหรือสิ่งภายนอกเราพึ่งพาได้แค่ชั่วครัชวคราวเราไม่สามารถพึ่งพาได้ตลอดไปแต่การพึ่งพาตัวเองมันเป็นการพึ่งพาอย่างยั่งยืนเป็นการพึ่งพาได้อย่างถาวรเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วยังสามารถเป็นที่พึ่งกับบุคคลอื่นได้อีกนี่คือความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของสมาสพุธิจ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยขณะแห่งความเป็นพืชศาสนานี้ยังมีอยู่อย่าให้ปล่อยอย่าเป็นปล่อยให้ไปล่วงเลยหรือผ่านไปถือว่าเป็นความประมาทในชีวิตที่ทําให้เราไม่ยึดเอาสาระแก่นสารที่ควรจะประพฤติให้เกิดขึ้นภายในตนเองกายกับใจเรานี้กระทําอะไรลงไปมันก็จะบังเกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นตามการกระทําของเรากระทําดี คามดีก็ถูกบรรจุไว้ในกายกับใจเป็นขันธทัศสันดานของเรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีก็ถูกบรรจุไว้ในกายกับใจเป็นขันธทัศนสันดานของเราแล้วทั้งดีและไม่ดีนี่เองจะเป็นเครื่องบ่ง ก, การชีวิตเราไปในภาคหาหากเราสั่งสมแต่อุสรธรรมคุณงามความดีคุ ณ, ค, ณคุณงามความดีก็จะควบคุมบังคับผลักดันให้เราไปเจอแต่สิ่งที่ดีดีและดึงเราออกจากสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายกั้น สิ่งที่มันไม่ดีที่จะเข้ามาถึงตัวเราให้ผ่านเลยไปไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มากระทบชีวิตเราแต่หากเรากระทาสิ่งที่มันไม่ดีไว้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็จะดึงเราไปสู่ทิศแห่งความไม่ดีปฏิเสธหรือว่าผลักดันความดีที่จะมาถึงตัวเราทั้งก็เป็นมูลเหตุแห่งการกระทําทั้งนั้นเพื่อศาสนาจึงเป็นกรรมวาทีมีวาทกล่าวเรื่องกรรม เป็นสำคัญไม่ได้เอาการอะไรเป็นผู้รอผลดนบันดาลการคอยช่วยเหลือจากสิ่งอย่างสิ น, นี้เอาการกระทําที่เราสามารถกระทําได้เป็นที่พึ่งภายในตัวเราแล้วการหรือว่ากฎแห่งการกระทำนั้นมันกฎสัจจ์ยอยู่แล้วของโลกไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่ากฎแห่งการกระทํานี้ไม่ใช่ความจริง นี่ใครปฏิเสธได้เทเดเวนวาเทวดาหรือมาเรนาวามันหรือพรหมูนาวาหรือว่าพรหมอปติวัติยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติหลักคำสอนในข้อนี้ได้เนี่ยคือกฎแห่งการกระทํานี่ยเป็นกฎแห่งสัจจ์คือการกระทําเป็นเป็นสัจจ์เพราะชีวิตของเราเป็นไปตามการกระทํา และทุกๆขนางแห่งความเป็นอยู่ในการที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นการกระทําการกระทำมีอยู่สามประการการกระทําในส่วนที่ดี1การกระทาในส่วนที่มีดี1การกระทาในส่วนที่เป็นกลางหนึประการนี้แล้วผลแห่งการกระทํา3ประการนี้ก็จะเกิดตอบสนองเราปลอบกุศลธรรมก็ได้กุศลธรรมและกระทําในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ก็เกิดเป็นผลแห่งบุญสรรุรธรรมที่ติ ด, ด, ดตามออกไปเพราะฉะนั้นการ ก, า ร, กระทรําใดๆก็ตามที่เราได้กระทำลงไปแล้วอย่าไปดื้อเสียใจในภายหลังแต่การกระทรําใดๆก็ตามที่เรายังไม่ได้ทําจงคิดอยู่เสมอว่าเราจะหาโอกาสทําและเราจะภาคเพียรในการทําและเราจะตั้งใจในการทำเพื่อพืชปฏิบัติโดยเฉพาะการกระทรําในส่วนที่เป็นคุณงามความดี การกระทำที่ไม่ใช่คุณงามความดีนั่นแหะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่คุณงามความดีเราก็รู้กันอยู่ก็คอยหาทางที่จะละมันละมันละมันเมื่อเราละมันอยู่เรื่อยๆละอยู่เรื่อยๆละอยู่เรื่อยๆละอยู่เรื่อยๆมันก็หมดได้มันมันมันไม่ใช่ของหมดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็พาปฏิบัติละเป็นหมดโพลก็หมดสิ้นแล้วสักว่าเครื่องหมักดองที่จะดองมักดองจิตใจของโพลไป พระเดียสงสารวุฒิเก่ลักจหนหดเหมือนกับพุทธองค์แม้แต่พระเดียเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ท่านก็ปฏิบัติพืล่ลัลั่ทิ้งนั่นทงนี่ลคือสิ่งใดมีอยู่ก็ให้มีอยู่ในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงวละความเห็นผิดที่จะนาไปสู่อุปทานการยึดมั่นหรือมัอ่นการลาเพราะนั้นก็มาละ ก, กิเลสหรือว่าต่อพืชต้ น, ตน ออกจากที่เหลวมันไม่ใช่ว่ายัางไงหนีออกจากคนในสังคมหนีออกจากปัญหาหนีออกจากวิถีชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ใช่หนีออกอย่างนั้นมันมันถ้าจะหนีก็คือหนีตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่อธิบายไปที่เจรณาลุ้บที่ณาทอดทความเข้าใจแยกแยะในแต่ละอันแต่ละส่วนในกายในจิตของตน นี่แหละหน้าที่ของพูดถึงศีลพี่นายในการในจิตพี่นายอยู่เนี่ยแหละทั้งวันทั้งคืนในการในจิตกายเป็นธาตุสีดินน้ำไปลมจิตเป็นนามสีประกอบกันขึ้นอารมณ์ทั้งปวงเข้ามาสัมผัสกับนามนี้นามนี้เป็นธรรมชาติแห่งการค้อยตามอารมณ์โอนตามอารมณ์เย็ตามอารมณ์และปรุงแต่งอารมณ์ภายในตัวของมันอารมณ์ใดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วอย่าหลงตา ม, อ า, มอารมณ์และอาการเหล่านั้นเราก็รู้อาศัยศีล เป็นเบื้องต้นก่อนรักกิเลส อ, อย่างยากอาศัยสมาธิเป็นห้ามการรักกิเลส อ, อย่างกางอาศัยปัญญาปัดสินลงไปรักกิเลส อ, อย่างละเอียดมันต้องทําให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่าอย่าถือศีลอย่างใดอย่างหนึ่งโดดๆเป็นโดยจะรอเอาอนิสงส์ของศีลให้เป็นไปในภพชาติอย่า ง, งไี้ได้ถือศีลเพื่อให้ตนเองพ้นข้อผลนกรรมอันนี้ก็ไม่ถูกอีกไม่ไม่ใช่จุดประสงค์ของศีล ดูประสองห้องศีลก็คือเป็นเครื่องลดเว้นภายในจิตและเป็นเครื่องหนุนจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นหนุนจิตให้เกิดปัญญาในการแยกแยะอารมณ์กับจิตพูดไปพุทมาก็วนเรียนอย่างนี้มีมันมันนี่ยังนี่ไม่ได้แล้วผู้ปฏิบัติก็พี่นายอยู่ในเรื่องเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนหวนเวียนอยู่อย่างนี้อย่าเขาเรียกว่ายา อะไรจะเบื่อหน่ายต่อการเพ่งพินิจิจารณาในกายในจิตของตนถ้าเบื่อหนายแล้วก็เป็น อ, อะไรว่าอาศาวิกิเดชก็ครอบงำแต่ถ้าตั้งใจเพ่งพินิพิจารณาอยู่เสมอมันก็เนืออารมณ์อยู่เนื อ, น อ, ย อ, ยเนอกิเลสได้มันก็ละได้มันของละได้พระเจ้าจะสอ น, ใ ห, ค น, คนให้ละมันละไม่ได้พระเจ้าคงไมสอนให้ละมีข้อทำอะไรจะถามมีไหม ถามมาไหนๆก็มาเนี่ยมาทางไกลซะเลยปัญหามเออยอะต่ถามมาเยอะจังตสเต็มนะถามเลยเติมหมดเลยห้าตาแ้อไปวดกันสามชั่วโมงว่าท้าุนสามัวอ๋อไหนูก็ตอบ อาจารย์มไปศึกษาธรรมะกะจากการนวดก็ดีครับดีเหมือนกันขายร่างกอยู่ตลาดไทยอยู่ในตลาดอยู่กันวดในตลาดที่ตามแข่งๆพ่าไปนอนที่วยโปเสืออรมาด้วยโนกันพหนวดไปก็คุยธรรมะกันครรมะ ดีแค่อยากจะมาดูตัวจริงกันเท่านั้นเหรอไม่มาถามกันมากเลยมันดูแต่ตัวจริงเลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่จริงหรอกไอ้ตัวที่พูดอยู่นี่ไอ้ตันอยู่ในจอนั่นก็ไม่จริงหรอกไม่มีตัวจริงหรอก เป็นธรรมะในแง่มุมหนึ่งที่อาตมาสอนลูกศิษย์ของตนเองที่โยมเขามอบหน้าที่การสอนธรรมะให้อาตมาเป็นผู้ชี้ทางแนะนําในการอบรมสั่งสอนเขาแล้วเขาเห็นว่าแง่มุมของธรรมะนี้ที่อาตมาได้สอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่ แม้จะได้ยินได้ฟังทำมาจากที่อื่นๆมามากแล้วก็ตามแต่ก็อยากให้ฟังในแง่มุมนี้ในในส่วนที่อาตมาได้อธิษฐหรืออธิบายมาหรือสอนทุกสิษย์มาเนี่ยเขาก็อยากให้ฟังก็เลยทำเนี่ยเกตถ่ายทอดออกไปไปถึงนี่แหละคนที่รับชมรับฟังอย่าก็ดีไหมล่ะหรือมันไม่ดียังไงเขาก็หาว่าพระเล่นเฟซเล่นอะไรไม่ดีมันก็เป็นอย่างเขาว่านเหมือนกันนะบางที ภาที่เรียนไม่ดีก็มีนะเรเปิดเปิดังไหมว่ามีเป็นคนหอกว่าที่เรื่องนี้แ้วไม่เรื่อนอะไรนี่จะพูดอไรถ้าเขาบอกไม่เคยได้ยินว่าเอาใส่หัวนะเปิดดังๆบอกใส่หัวเฮ้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าบ้าไม่มีกระป่าไม่มีะพง เ ข, เขาพูดว่าไม่เคยได้ยินว่าแม่ใส่ค อ, อใช่ที่นี่สอนพระรัตนาไตายแบบยึดถือทางใจไม่ให้ยึดถือรัตนาไตายแบบห้อยคอ<ม>ถ้ายึดถือพระรัตนาไตายแบบห้อยคอนะ<ม>เป็นการยึดถือพระรันาตนตไัยที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดถือพระรัตนาไตายแบบห้อยคอ เอาสายส้อยมาห้อยเสีคอแล้วเข้าใจว่านับถือพระราตรายานั้นมันห่างไกลมากห่างไกลจากพระราตรายมากพระราตรายต้องรับรู้รับทาบด้วยใจและระลึกถางใจและต้องนึกถึงด้วยใจของตนและต้องเป็นการระลึกถึงด้วยพลังทางใจของตนเองไม่ใช่ไปเอาพลังอธิษฐานของคนอื่นมาอธิษฐานใส่ของใส่วัตถุใส่ รูปเหรียนค้อยคอเนี่ยต้องเกิดจากพลังทางใจของเราอธิษฐานจนให้จิตของเราสามารถสัมผัสรับรู้รับทราบอำนาจแห่งพลัตนาใจที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติได้และพลัตนาไจที่มีอยู่ตามหลัธรรมชาติหากเราลึกถึงอยู่สมบูรเสมอก็จะสามารถสัมผัสกับจิตกับใจเราได้ในเวลานั้นนึกถึงคนที่โกรธอาการหองความโกรธยังสัมผัสจิตกับใจเราได้เลย แล้วทำไมเราเลืถึงพระัตนตรัยทาไมไม่สัมผัสเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเลืล่อนถึงยังไงเราต้องนึกถึงบ่อยๆให้เกิดจิตที่มันสัมผัสเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็ไปถึงพลังทรรธรรมชาติอันบริสุทธิ์มีอยู่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่นี่ก็พูดมาเยอะต้องไปตามฟังอะไรมันยืนนะมันยืนตรงกับบทธรรมที่พรองค์ทรง หรือเป็นบทธรรมที่พวกเรากล่าวไว้ว่าพุทธังสรณนักฉามิพระพุทเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการละลึกภาษาแป spare, ลมาอย่างนั้นนี่พระพเจ้าเข้ถึงพระพุทธเจ้าโดยการละลึกพระพุทเจ้าเข้ถึงพระธรรมโดยการระลึกทำมังสรณนักขฉามิสังฆังสรณนักขฉามิพระพุทเจ้าเข้ถึงพระสงฆ์โดยการละลึกตื่นเช้าขึ้นมาเลลึกละลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ไม่ให้ตื่นเช้าเช้าขึ้นมาเลืลึกอะไรเลลึกถึงอะไร ที่ไปทําการทํา ง, งานเรื่องระลึกถึงทําไรอยูุ่ตรดาวระลึกถงแต่ไม้หนวดถึงเช้าขึ้นมาไม่ได้ถึงผู้ทีเจ้ายามใส่สมองฟังเทศน์ได้ยาต้นได้ายา จ, จ้างยาจ้างยายาให้มันเข้าสมองนี่มันเข้าจิตเข้าใจนี่รู้ไหมจิตใจตใ อ, อยู่ตรงไหนเด้ออทํามกลางผกนั่นมันเข้าไปอยู่ทางนั้นภายในใจ ยังไม่ยอมปฏาเสธาโกก็แทบไม่มีเลยความโกรธยอมรับว่าเบื่อสุดนะไม่โกรธไม่โกรธค่ะระดับแร้ไวมากมีทางารมณ์อ่ะก็ยอมับว่าย ango, fear, ังเพิ่งไดอาจารย์เยอะมาเพื่อจะตื่นว่าผมมีอาจารย์นะอ๋อยังเอาอาจารย์ไปขูอารมณ์อยู่ยังใช้ไม่ได้เนาะ ต้องให้เห็นอาการที่เกิดระดับอย่าไปบังคับให้ดับแต่ให้เห็นอาการที่เกิดระดับตามธรรมชาติที่มันเกิดระดับด้วยตัวข้ามาันถ้ายังบังคับให้ดับยังไม่ใช่ต้องต้องใครกัระ้างทำใจยอมรับกับอาการที่เกิดขึ้นแม้จะรู้สึกอิดอัดปรมานหงุดหงิดโมโหแค่ไหนก็ก็ต้องอดทนเพื่อจะดู การดับของอารมณ์นั้นให้ได้ความอดทนอดกัน้นจึงเป็นตบัดะแบบนี้เป็นเครื่องแผลเผากิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์ไม่ใช่ตัวกิเลสนะแต่การที่เราไม่รู้จักอารมณ์ที่เกิดกับเรานัเนี่ยมันเป็นกิเลสกิเลสเกิดจากการที่เราไม่รู้จักอารมณ์ที่มาสัมผัสกับเราทุกวิทุกวันแล้วที่ก่อให้เราติดทุกวันทุกวิทุกวันหรือบูดง่ายๆว่า ทุกเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นการดับของมันนะแหลกที่เดืดเกิดแล้วถ้าเราเห็นการเกิดการดับของมันมันก็ไม่เกิดจี่เดดมันก็ดับไปตามภาวะของมันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมานามมาสัานามธรรมาไม่สามารถตกค้างตั้งค้างอยู่ในจิตในใจของใครได้มันตั้งค้างอยู่ไม่ได้เป็นน้ําดับแล้วคือดับเลยแต่เพราะความหลงไม่รู้อาการแห่งอารมณ์ ที่มาสัมผัสกับจิตที่เกิดและกระดับตามความเป็นจริงนั้นทําให้เกิดความเข้าใจภายในตนเองว่าเรามีกิเลสเราเอารมณ์ได้เกิดขึ้นกิเลสก็ขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์และเข้าใจว่ากิเลสอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้คือความหลงเป็นโมหะที่แท้แล้วกิเลสไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลากิเลสเกิดมาพร้อมกับอารมณ์และกระดับไปพร้อมกับอารมณ์ ที่จะอยู่กับเราตลอดยีิบสี่ชั่วโมงไงไม่มีไม่มีแต่พอเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยมันเลยไอพอกความไม่เข้าใจเนี่มันเลยกลายเป็นคดีแล้วก็ครอบกําในจิตในใจทําให้เราหลงเราฝึกที่จะรู้ตัวนี้ได้แล้วจิตเราจะถูกยกออกจากอารมณ์แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์ใดๆนะไม่มีความโลภไม่มีความกวดไม่มีความโหลงไม่ใช่นะมันจะมีอยู่ก็ตามมัน แต่เรารู้และเห็นอาการแห่งการเกิดและการดับของมันได้โดยที่ไม่คอยตายิ่งเห็นการเกิดการดับเมื่อไหร่ก็ยิ่งเห็นกระแสของพระนิพพานเมื่อ น, นั้นเราจะต้องดูการเกิดการดับให้อยู่เป็นประจำการดูการเกิดการดับของอารมณ์จะทำให้เราได้เห็นที่อยู่ของสัจธรรมสัจธรรมมันอยู่ตรงที่เห็นเกิดเห็นดับนะั้น นั่ะที่อยู่ห้องสัธรรมอยู่ตรงนั้นมันจะค่อยๆเปิดเผยหลักธรรมชาติคืออ น, นิจจังความไม่เที่ยงกิเลสก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงกุศลธรรมก็ไม่เที่ยงอกุศลธรรมก็ไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นนี่อ๋ออนิจจังเป็นอย่างนี้มันเกิดแล้วมันกระดับไปไดุ้กครั้งไม่สามารถปงตัวอนัตตาไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนถาวรไอตัวตนที่เราเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเสมออยู่ในใจเรา ไม่ได้มีเรามันก็ดับไปตรงนี้แหละดับไปพร้อมกับาลมนั่นแหละที่เรียนทั้งหลายทั้งปวงมัดับไปพร้อมกับลมที่เราเห็นการดับของมันนั่นแหละแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกก็ให้มันเกิดขึ้นมาแต่เราจะไม่คล้อยตามเราจะตั้งใจที่จะดูการเกิดและการดับการเกิดและการดับการเกิดและการดับอย่างนี้จนมันจะมีกระแสแห่งการตัดขาดพอเห็นการดับอยู่เนืองๆดับอยู่ไว้ดับอยู่ไว้ขาดกระแสปฏิพันธ์มาดับ ดับมาเข้าดับมาเข้าเราไมันจะเชื่อมต่อเราเรียกมีมีอายุนะเชื่อมต่อกับพระนิพพานดับถาวรในระดับเบื้องต้นดับถาวรในระดับข้ามการดับถาวรถาวรในระดับสูงดับถาวรในระดับละเอียดนิดนึสูงสุดจนดับสนิทตามลาดับเป็นข้อปฏิบัติที่ จะต้องใส่ใจเพราะค้อมทุกข์มันอยู่กับเราเพราะนั้นเราอย่าไปใส่ใจสิ่งอื่นให้มากกับตัวเรามอกกับตัวเราถ้าเราไปใส่ใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราก็เราจะดับทุกไม่ได้เพราะเราต้องดับทุกข์ในตัวเรามาจะมากาหนดมากันกี่วันคาว่าจะมาสัก5วันแล้วก็เหมือนก ดีแล้วโอกาสข้าววันก็ได้นู่นเลยพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปดูที่นู่นนะคะก็แบบนี้มัน ว, ไไ ว, วิ่เกียงหน่อยก็จะไปเป็นหมดอนพรุ่งนี้หลังเที่ยงมีใครเป็นเกาะมองบอกให้งวดให้เราไปไหนวันนี้ก็มาเตรียมมันว่ะแต่ แน่นะครับต่ว่าทก็เลยไมได้บริหนดมืออมตเศ้าก็สีหวงครับบริหนวดเห็นแม่ไว้วนนะครับบรหนวดให้แม่ร้วนโอรับมาดูแล้วมันหนวดเนแม่ไว้หนวดงพราะชาขวดหรือว่าคือมือไปๆเตั้งใจมันวดเ็ที่นะโอ้มาแล้วบรินวดมาดยเลยดวงมีเขี่ยวแมวน้านะคะ ต่อหเรียนต่อเส้นมาสิคะเปตออเส้นเรียนต่อเส้นไปอะไรนะมีเขี้ยวมนพี่เพ็นหัเป็นกระดูกตับเจ็ดกระสับรพลุกไม่ได้หรอกหนูก็ต่อหายุ่ขึ้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเยอะโฆษณามากเดี๋ยออกไปดิหนอกเรือก็จะนีเดี๋ยวปิดปิดเนี่ยปิดแล้วนี่นี่หละแอดมิน เนาะมันก็จบแล้วมีอะไรแล้วคุย <c oughs> กันนอกเลื่องแล้ว